ไม่ได้เพราะว่ามันวัดกับแบบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่นั่งนานเนี่ยเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาว่าท่านานเนี่ยมันเป็นเวลาแล้วก็ไอ้ที่เจ็บเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มันไม่มีคนเจ็บมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็นความเจ็บเป็นเวทนาเฉยๆซึ่งเจ็บมากเจ็บมากก็ก็มันก็เจ็บมากก็เป็นไปอย่างนั้นะเขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนเหตุไม่ดับที่เหตุมันก็ต้องเจ็บมากพอเจ็บมากสุดท้ายมันก็หายเองก็ได้เหมือนกันอเพราะนั้นสุด จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่สภาวะมีแต่อาการไม่มีเราหรอกไม่มีเรามันมีแต่ความอวิชชาเท่านั้นไปหลงยึดว่าหนึ่งเรานั่งนานสองเราทนได้สไปยึดว่าไม่มีเรามันมีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งไปยึดว่าไม่มีเราเห็นไหมมันก็มีตัวเราซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นตัดคําว่าเราไปได้เลยในทางปฏิบัติมีแต่อาการมีแต่อาการ นี่นี่เรายกอันนี้มานี่จะสาธิตให้ดูนะนี่ออกมาจากหน้าพระเนี่ยนี่จะพูดเรื่องความไม่ใช่ตัวตนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่กังวล <c oughs> จะพูดถึงสูตรพระพายยะให้ฟังนี่เสียงใช่ไหม <c oughs> คนถ้าไม่ได้เรียนธรรมะเนี่ยพอถามว่าใครได้ยินอะ <c oughs> เราถูไหม แต่ถ้าเข้าใจธรรมะมีแต่ได้ยินโอเคไหเนี่ยมีแต่ได้ยินนะเนี่ย่มีแต่ได้ยินไม่ต้องถามว่าใครได้ยินแต่ถ้าถามถ้าตอบแบบภาษาสมมุติก็ต้องบอกว่าเราสิใช่ไหมเนี่ย เ, เขาเรียกว่าสมมุติคำว่าเราเนี่ยสมมุติแต่ถ้าเหนือสมมติก็คือว่า สักแต่ได้ยินไม่มีผู้ได้ยินไม่มีตัวตนของของผู้ได้ยินมีแต่ได้ยินงงไหมได้ยินจริงไหมเหรอมไม่มมีแต่ได้ยินไม่มีตัวตนใครเป็นผู้ได้ยินถ้าเออตรงนี้เดี๋ยวจะปลดล็อกยังไงความรู้สึกว่าเป็นตัวเราได้ยินไหมเ อ, เอาความรู้สึกก่อน กรรู้้สึว่าาเไดยยินโอเคนะเราเคยเชี่ยเห็นสหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีตัวเรามีแต่ขันห้าถูกไหมความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกว่าเราได้ยินความรู้สึกคืออะไรขันห้าความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยแท้จริงไม่ใช่เป็นเราแต่เป็นแค่มันรู้สึกอ่ะมันรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีทั้งทั้งที่มันรู้สึกว่าเป็นเรา แต่ความรู้สึกก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาความรู้สึกมีไม่ได้ห้ามแต่ให้เข้าใจเถอะว่าความรู้สึกถึงมันจะรู้สึกว่าเป็นเราก็ก็เถอะแต่ความรู้สึกนี้ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหลอกว่าเป็นเราที่แท้จริงรู้ทันไหยรู้ทันแล้วถึงมันจะรู้สึกว่าเป็นเราใช่ไหมมันก็ยังรู้สึกดีอยูกความรู้สึกเป็นอะไรขันห้าเราขอใช้คำว่าสังขารเรื่กันเนาะ เพราะขันหน้าก็คือสังขารทั้งปวงกันนะเอางีา้ความรู้สึกก็คือสังขารที่มันรู้สึกว่าเรารู้สึกอ่ะมันคือสังขารนะเพราะเราไม่มีจริงๆมันเป็นแค่รู้สึกว่าเราเนี่ยมีตัวเราอยู่ไอความรู้สึก่นนี้เนี่ยยังเป็นสังขารอยู่ก็อย่ายึดสังขารว่ามันเป็นเราที่แท้จริงเราแท้จริงไม่มีมีแต่สังขารที่มันหลอกเนี่ยมันหลอกว่าให้เป็นเราอยู่ ต่อไปมันหลอกไม่ได้ไงพ่อรู้ทันแล้วรู้แล้วว่าจะหลอกมาหน้าไหนเนี่ยแกจะหลอกว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราเนี่ยรู้หมดแล้วเพราะเราไม่เคยมีเออจะหลอกว่ามีเราก็หลอกไม่สําเร็จจะหลอกว่ามีเราก็หลอกไม่สําเร็จเพราะว่าแท้จริงอ่ะมันไม่มีอะไรคือพูดถึงเราอ่ะมันไม่ได้เกิดมาคือไม่มีเล ย, ยเป็นความว่างอ่ะเอมันจะหลอกหน้าไหนครับแต่มันไม่ใช่ปเป็นการคิดช่วยมันรู้ด้วยรู้อ๋อนี่ตรงนี้มันถ้าถ้าเข้าใจด้วยปัญญาแล้วเนี่ย มันเข้าใจเลยแต่นี้นตแต่ที่พูดนี้ถึงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยสุตตะนะพูดให้ฟังเพื่อให้โยมเนี่ยได้คิดพิจารณาแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยพอภาคปฏิบัติใช่ไหมสมมติว่าความรู้สึกลึกๆมันรู้สึกว่าเป็นเรา okay. แต่จากการได้ยินได้ฟังมาเนยมันจะรู้ว่ายังไงก็เป็นเราไม่ได้เห็นไหมมันจะโยนิโสมนานสิการโดยอาศัยเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องนําพาต้องอาศัยนะเขาเรียกว่าอาศัย ปัญญาสามเนี่ยการฟังการคิดแล้วก็ภาคปฏิบัติก็คือเมื่อเจอของจริงเข้าแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาสองตัวนู้มาช่วยบ้างอะไรบ้างผสมผสานก็เดี๋ยวมันเป็นปัญญาสามเองเ่ยปัญญาสามคือฟังคิดแล้วก็ภาวนาเนะาะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีก็อาศัยมันช่วยแหละมันต้องช่วยอยู่แล้วยังไงก็ต้องช่วยเหมือนกับเราหัดว่ายนะ้ําให้เป็นเนี่ยใช่ไหมเรามันก็ต้องมันก็ต้องหัดก่อนแต่ถ้าเมื่อหัดเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องช่วยคือ ปัญญาทันทีเลยสูตรพระพายะเลยเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินใช่ไหมเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่ออ ะ, อะไรกระทบสัมผัสทางกายทางหูทางอะไรเนี่ยก็สักแต่รู้เนี่ยอย่างเนี้ยตัวเธอไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีก็เมื่อตัวเธอไม่มีก็คืออะไรไม่มีตัวเธอในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยนิพพานก็คือตัวเราไม่มีเรยว่าที่สุดแห่งทุกข์ เพราะนั้นถึงมันจะรู้สึกว่ามีตัวเราใช้ปัญญาตรงนี้ไปก่อนนะมันหลอกมันหลอกเพราะเราจริงๆไม่มีมันเป็นแค่ความรู้สึกซึ่งเป็นสังขารโอเคไมลองตองคิดหาวิธีที่จะจะจะทําให้มีตัวเราไม่โอ้ยไม่เลยไม่เลยเพราะตัวเราไม่มันไม่มีอยู่แล้วไงมันไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปไปช่วยมันอีกไม่ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงไม่ไม่เราไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าให้ไปพบเห็นไอ้มันต้องพบเห็นอย่างเมื่อกี้นะพบเห็นก็คือเวลาถามเวลาตอบมันจะพบได้เนาะว่าว่าเราไงสงสัยเราไม่เข้าใจแต่ทีนี้เมื่อมันชํานานเนี่ยมันจะรู้เลยว่ายังไงก็เราไม่มีถึงมันจะหลอกว่าเป็นเราเป็นเราเฮอะมันเป็นของหลอกอคือปัญญามันจะพาไปใช่ใช่มันจะเร็วมากนะตรงเนี้ยแต่โยมต้องต้องไม่คือต้อง ท, ทุก อ, อิริยาบถเนี่ยโยมจะต้องไข้ควรแต่เรื่องธรรมะนะเออะจะเดินะจะนั่งเนี่ยโยมเห็นอะไรเนี่ย เ, เป็นธรรมะไปหมดเนี่ยคือมันจะโยนิโสมันจะตลอดน ะ, ะตรงเนี้ว่าเราจะเปลี่ยน<ะ>ตรงนี้ได้ไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยถึงฟังเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอยานนบืั่งนออันนี้ใช่ใช่ ทีนี้คนถ้าถ้าไม่ได้ฝึกสติมาก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยตอนที่ฝึกสติเดินอย่ไหมมันรู้ว่าเดินเนาะพอบอกหมดชั่วโมงเลิกนี่ทิ้งรู้หมดเลยอะ่ะนี่แสดงว่าเสียหายแล้วไม่ต่อเนื่อ ง, ต, อองต้องไม่ทิ้งรู้อันนั้นคือรู้กับเดินใช่ไหมไม่ทิ้งก็เลิกเดินแล้วก็ยังรู้ต่อไปแต่นี้ที่พูดนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเดินมันเป็นเรื่องของความเข้าใจระดับปัญญาคือ มือนกับว่าอะไรก็มาหลอกฉันไม่ได้แล้วจะหลอกว่าเป็นฉันเป็นฉันเนี่ยฉันรู้ทันหมดแล้วก็พอเห็นปั๊บมันจะรู้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเลยมันเห็นก็เออออออืืแล้วก็มันไขควนมันก็เอ้ยใช่ใก็จะตื่นยอนยันใช่อย่างนี้เลยนะเนี่ยคือเพรใช่ปัญญามันไม่ใช่อาจารย์มันเป็นปัญญามันไม่เป็นปัญญาหมุนติ้วเลยเหมือนภาษาหลวงพ่อหลวงตามหาบัวเลยปัญญาหมุนติ้วเลยเราก็จะเคือหมายถาว่า ทุกอ่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปก็คือแค่รู้เออแค่รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วแต่แต ม, มันยังไงก็ตามมันยังอาศัยเนี่ยสิ่งที่เราพูดวันนี้เดี๋ยวเดีมันจะก้องหูโยมอะโยมจะเดินไปไหนง้อจะกล้องอย่างเงี้ ย, ย, ยเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสียงธรรมไงเสียงธรรมมันก็จะมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงว่าได้ยินได้ฟังอะไรมามันจัดสอนสอนอ๋ออาจารย์ว่าเออไม่ใช่เรามันก็คิดแล้วก็โยมก็จะเห็นความคิดในตัวเองกันแหละทีเนี้ยเออคิดก็เห็นคิดนะฮะคิดก็เห็นคิดพอมันคิดก็เห็นคิด ยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากคะหลวงพ่อเทียนสอนนะยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากคือมันมีสติมากไงพอคิดก็เห็นออกคิดก็เห็นมันคิดเรื่องอะไรก็เห็นเห็นคิดเห็นคิดแล้วก็มีแต่ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านเออถ้าวางตัวเราตัวเดียวทุกอย่างไม่มีปัญหาสมมติโยมทําท่าจะคิดว่าโอ้มันยากจังอ๋อนึกออกขึ้นมาเอาหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วอ่าหลงคิดว่ายากอีกแล้วจริงๆนะตัวเราไม่มีเรกเนี่ยต้องกลับมาที่ตัวเราเลยคือให้เห็นตัวเราเลยอ่ะ ให้เห็นตัวเราเออนีอาจารย์พุทธธาตุท่านวาง่งอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้มันเป็นผีมันกับหลอกอะ่ะเนี่ยที่ทุกครั้งที่ลืมตัวมันหลอกเป็นผีพอหายเผลอตัวกูก็หายไปอะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นให้เห็นตัวกูนะถูกต้องแล้วแล้วก็ต่อมามันก็จะรู้เร็วละเร็วตัวกูไม่มีแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่ปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันนะัสมมตโยมได้ฟังได้คิดตอนเนี้ยนะเอ้ได้ฟังตอนเนี้ ย, ยพอโยมพลาดท่าปัา๊บมันจะคิดถึงอนาคตว่าแล้วหนูจะทําได้ไหมเนี่ยนี่แสดงอนาคตนะหนูจะทําได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคิดว่า<ม>หลังจากนี้ไปจะทําได้ไหมนี่คือหลงแล้ห ล, ลงหลงคิดไปอยู่ในอนาคตาพอรู้สึกตัวปับ๊บมันก็หมดดิมันความคิดชนิดนั้นก็หายไปก็เลยไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตมันจะไม่มีความคิด มันมีมันมีแต่รู้ทันแต่รู้ทันรู้ทันอ่ารู้ทันรู้ทันทุกคิดรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นยังไงได้แต่รู้เดี๋ยวนะมันมีอะไรอยเงี้จะบอกอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอะไรนะอ้าวเราพูดถึงเรื่องนิดนิดนึ่ มีตัวเรานะถึงว่าถ้ามีตัวเราตอนนี้ตัวเราต้องมีทุกข์แน่นอนมีทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์ถ้ามีตัวเรานะมันมีทุกข์ในปัจจุบันอยากจะพ้นทุกข์อยากจะถึงนิพพานแต่ถ้าโยมวางตัวเราเดียวเนี่ยนิพพานโยมไม่ต้องถามหาเพราะ ม, ม, มันหมดไปแล้วมันหมดตัวเราไปแล้ว ทีนี้พอพูดอย่างนี้เสร็จโยมอาจจะคิดในใจสมมุตินะแล้วถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ไปเราไม่ต้องทําอะไรสิเราไม่ต้องเดินยงกรมเดินไม่เดินไม่ต้องสนใจให้โยมเห็นปัจจุบันว่ามันกําลังคิดนี่แล้วก็วางปัจจุบันเนี่ยว่ามันกําลังคิดแล้วจากนี้ไปก็แสดงว่าไม่ต้องยกมือดิอันนั้นคือความคิดโยมก็วางความคิดปัจจุบันนี้ถูกไหมส่วนโยมจะทําไม่ทําเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกายเคลื่อนไหวรู้สึก แล้วก็ถ้ามันคิดยังไงก็เห็นความคิดเรื่อยไปเพราะฉะนั้นมันจึงมันจึงไม่มีคําถามถ้ามีคำถามรู้ทันแล้วก็วางลงพอมันตั้งเขาจะถามอีกแล้วรู้ทันวางลงแล้วมันก็ถามเรื่อยๆ แ, แ, แล้วบอกแล้วจะทํำยังไงดีก็รู้ทันอีกก็วางอีกอแล้วจะทํายังไงอีกอย่างนั้นก็ไม่ต้องก็รู้อีกวางอีกแล้วมันก็คิดรู้อย่างนี้คือมันสงสัยไม่เลิอกอ่ะก็รู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเองแหละว่ามันจะทําอะไรบ้างอ่ะมันก็รู้เอง เออมันมันคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆคนมีทุกข์เนี่ยเวลามาหาพระเนี่ยฟังธรรมะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วเนาะเขาบอกโอเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์เลยนะตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ไม่ทุกข์วางหมดแล้วพอแพ็ปเดียร์บอกเดี๋ยวหนูกลับบ้านหนูต้องเจอสามวอีกเขาซ้อมหนูอีกมันทุกข์ในปัจจุบันแล้วเพราะอะไรพลาดท่าแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันแบบก่อนหน้าเนี้ยดันไปคิดอนาคตเป็นทุกข์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั 3, it. It nice cool ้นมันต้องรู้ทันเช่นมันรู้ทันเช่นมันคิดว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปมันก็ต้องเจอสามีเดี๋ยวก็ซ้อมหนูอีกเห็นความคิดแล้วก็วางมันเสียเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วก็วางพอวางเสร็จมันก็้นทุกข์ในปัจจุบันอีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคิดมันคิดได้แต่รู้เท่าทันแล้วก็วางลงวางลงเพราะฉะนั้นกว่ี่เริ่มจะโยนเงินเป็นไงเราก็รู้มาพอรู้มาเอ๊ะแล้ทำไปทำไปมูมเมื่อรู้แล้วมันก็กลายเป็นแบบ เออใช่เป็นหน้าที่ฝ่ายใช่เป็นหน้าที่ฝ่ายทําให้ถูกต้องเป็นหน้าที่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือรู้ความคิดแล้วก็วางลงอย่างยกตัวอย่างอ่ะเมื่อก่อนตอนทํางานเนี่ยตึงคาราวาสมันก็ใช้บ่อยนะเวลาไปพรีเซนท์ที่ไหนบางทีมันกังวลว่าเราจะพูดไม่ดีเราเตรียมไม่พร้อมแล้วมันมันจะปวดหัวไงแต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์คือมันมันกล้าอยู่อย่างมึงบอกว่า ก็ตอนนี้เหมือนกับว่าปัจจุบันเราทำทำแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะนะแล้วอนาคตเดี๋ยวเมื่อถึงตรงนั้นมันรู้เองมันรู้เองเออเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปคิดล่วงหน้าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันรู้เองแล้วมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ใช้วิธีนี้นะหลังจากนั้นมาใช้วิธีนี้ตลอดความรู้สึกว่ามันไม่ปวดหัวไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่ต้องอะรเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันคือทำอะไรทำอะไร พอถึงปัจจุบันนั้นเดี๋ยวมันมีทางออกเสมอเลยไม่จนก็เลยใช้สูตรเนี้รู้สึกว่าได้ใช้ได้ผลทําให้เราไม่ต้องปวดว่าไม่เกณฑ์ทำให้เราต้องไม่ต้องวิตกกังวลคือทําให้เราไม่ป่วยอ่ะถูกอืมแม้กระทั่งเรื่องธรรมะเนี่ยบางทีเวลาเดินจงกรมเนี่ยมันมีธรรมะผุดขึ้นนี่แล้วมันมันเหมือนกับว่าเป็นปัญญาเป็นประโยชน์มากแล้วเหมือนกับว่ามันน้อถึงโยมาเนาะว่าตรงเนี้ยต้องไปบอกโยมสมมติครับมันจะจำไงจะจําไปบอกโยมแต่อีกอันนึงบอกว่าไม่ได้ ไปจำเนี่ยแบกไปท่องเงินมันหนักนะก็ทิ้งให้หมดเลยรู้เท่าไหรก็ทิ้งหมดเลยแล้วก็เวลาไปคุยกับโยมเดี๋ยวมันไหลมาเองเนีมันไหลแบบไหนก็แล้วแต่เฉพาะหน้าแล้วแต่เหตุการณ์ก็ตกลงเนี้ยตรงเนี้ยทิ้งหมดเนี่ยมันเก็บไว้แล้วไอ้ความมันมีความรู้มันมีไงความรู้มันเก็บเออความรู้มีเพราะเปิดอุประมาณตีนัยยที่เก็บเออมันมันมันมันทีนี้ถ้าลองตั้งเรื่องว่าจะพูดเรื่องเนี้ยไม่เคยได้เรื่องมันลืมหมด แต่ถ้าพูดช่หน้าเนี่ยมองหน้าโ ย, ยมอย่างนู้นคุยไปคุยมาเนี่ยมันไหลามาเรื่อยนะมันเป็นปัจจุบันไปเรื่อยเนี่ยอย่างเนี้ย <K> ก็กลายเป็นว่าเออมันไม่ทุกเดียวไม่ต้องไปเตรียมอะไรมันเอานึกตรงไหนได้เขาตรงนั้นเขาไปเออเอาทีนี้ น, นี่สั่งแต่รู้เนี่ยนะเห็นไหมไ ม, ไม่ต้องจ้องเลยเมื่อกี้นะมันได้ยินเลยใช่ไหมเมันอไรจะเสียงดังไม่มีพอปีบ้องเนี่ยมันได้ยินเลยผู้ได้ยิ น, นยไม่มีหรอก มีแต่การได้ยินซึ่งไม่มีตัวตนของใครเป็นผู้ได้ยินแต่มาเป็นอย่างนี้ปั๊บมันจําได้นี่ว่าตัวเราใช่ไหมความจําได้เป็นอะไรสังขารคือขันห้าขันห้าไม่ใช่เราสุดท้ายก็ไม่ใช่เราถึงแม้ว่ามันจะจําได้ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้จําไดนะ้ถึงแม้มันจะรู้สึกว่ายังมีตัวเราอยู่แต่ความรู้สึกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเราเลยมีแค่สังขารปรุงแต่ง อย่าไปหลงสังขารไม่ว่ามันจะมาหน้าไหนหน้าดีก็ไม่หลงหน้าร้ายก็ไม่หลงเออได้แค่รู้มันมันมาแล้วก็แค่รู้เ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทุกข์แล้วมีแต่ขันห้าเป็นทุกข์ก็ตามสภาพตามแล้วแต่มันหายจริงๆเรายกตัวอย่างเรื่องผีหายมันหายแบบไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปทำอะไรนะเรื่องผีหายสมมติว่าเสาเนี้ยต้นเสาเนี้ยนะ มันมีเออมีสายไฟเล่ยน่ะกลางคืนเนี่ยเรามาถือว่าเราไม่คุ้นเคยมันมืดเนาะแล้วเราเห็นเป็นรูปอย่างเงี้ยมันจินตนาการว่าเป็นผีถูกป่ะนี่มันคิดนะมันคิดว่าเป็นผีคนมันอะไรที่มันไม่รู้แจ้งมันต้องคิดว่าเป็นผีไว้ก่อนแล้วแล้วก็พอมาเดินใกล้ๆป้บเอ้าเสานี่ยว่าผีมันหายอัตโนมัติเลยผีมันหายอัตโนมัติเพราะมันรู้แจ้งว่ามันเป็นเสาเป็นเสาต้นนี้ผีก็เลยหายไป ไอ้เรื่องรู้ตัวเราก็เหมือนกันตอนแรกบอกว่าตัวเราตัวเราเป็นคนรู้เป็นคนเห็นเป็นคนไม่รู้แต่พอมันรู้แจ้งขึ้นมาว่าแท้จริงตัวเราไม่มีปับ๊บไอ้ไอ้อะไรละ่ะไอ้ความไอ้ที่บอกว่าเราไม่รู้หรือเรารู้เนี่ยความเป็นตัวเราก็หายไปหมดเหมือนกับผีหายเลยคือถ้ารู้แจ้งรู้จริงอ่ะรู้หลุด ร, ร, รู้พ้นเนี่ยมันหายแบบไม่ต้องวางเออมหายแบบไม่ต้องวาง มาหายไปเองเนี่ยงั้นก็ต้องจำไม่ขึ้นใจจะเรียกว่าจำหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่มีตัวเราหลวงพ่อบอกไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีก็อันนี้เราถอดหัสาหัดนะไม่มีก็คือไม่มีไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วมันจะเป็นอะไรกับอะไรอ่ะใช่ไหมเป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเราไง เออมีแต่ไอ้นั่นแหะมีแต่ไอ้นั่นแหะมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะเออมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือไม่ใช่เรามึงง่ายเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะะเดิมไม่มีแล้วมันมีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมนาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา เห็นไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เราคนใดคนหนึ่งที่เกิดมาไม่มีมีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นต้องดับเพราะนั้นสุดยอดของธรรมแค่มีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่มีเราแล้วสิ่งที่เกิดนั้นต้องดับเพราะนั้นอาการในกายในจิตทุกอาการทุกกิริยาทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีเนี่ยอย่างประสบการณ์สิบสิบวันะลองทบทวนดูเลยมากมายมหาสารอารมณ์ใช่ไหมทั้งง่วงทั้งเบื่อทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งฟุ้งซ่าน เนี่ยหวนกลับมาดูตอนนี้จะรู้เลยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็หมดแล้วมีแค่ปัจจุบันปัจจุบันก็หมดอีกต่อไปจึงย้าว่าอย่างนี้ไปไม่หลงแล้วไม่หลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะเออไม่ีอะไรจะถามไหมพรุ่งนี้มาคุยอีกก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหลังฟังเนี่ยโยงก็ไป อะไรขยโยมนี่แหละแล้วก็มามาเล่ามาสู่กันฟังอีกมันเก็บตกไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะชัดขึ้นเออมาคุยกันไงเพราะบางทีมันยังมีความหลงทึ่งมันมองไม่ออกก็ได้จะให้กันบ้านไหมไม่ทำต่อเนี่ยแค่นี้ก็หลงเรียบร้อยแล้วจะ <c oughs> ชี้ให้ดูนะ <c oughs> นี่นี่ถ้าไม่ชี้เนี่ยรู้ไม่ได้นะเมื่อกี้จะไปทําการบ้านใช่ไหม ใครไปทําเออเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเราจึงไม่มีผู้ทําการบ้าน <c oughs> แต่ก็ไปอย่างนั้นแหละไปแต่ก็ไม่ใช่เราไปไม่ใช่เราทําทําก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่เราทําแล้วก็ไม่ใช่เราไปชัดไหมเมื่อกี้คืออยู่กับธรรมชาติแล้วก็แค่รู้ <c oughs> แค่รู้ไปอเอาตัวลงเดี๋ยวตรงนี้น้นนิดนึงเมื่อกี้อะไรนะที่เยไม่ใช่ว่าจะให้เออการบ้านเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวเราอยู่ตัวหนึ่ง ไปรับการบ้านแล้วก็จะเอาตัวเราไปทําแต่พอเราชี้บ้างเนี่มันเก็ตเลยใช่ไห ม, อมเออตัวเราไม่มีนี่หว่าเมื่อตัวเราไม่มีผู้จะทําก็ไม่มีก็มีแค่กิริยากายคือกายเดินยืนนั่งนอนแต่เมันยุ่งเข้าใจไม่ทีที่ทำการบ้านหมายถึงว่าอยากฝึกนะฮะก็ใครอยากฝึกตัวเรา <c oughs> มันหนีไม่พ้นหรอกนะก็คือต้องออเอาที่เราเป็นขันไปทำใช่ คืออยากฝึกยตัวเราไปไ อ, อ้ตัวอยากนั้นมันก็ก็หมดก็หมดหมดสิพอหมดตัวเราก็ตัวอยากก็หมดอย่างเมื่อกี้เนี่ยปลดล็อกเลยเนี่ยบอกอะไรกันบ้านนะัต้องบอกอถ้ามีแม่ชีถ้ามีเราใช่ไหมเราก็จะรับฟังว่าต้องเราก็ต้องไปทําอะไรมันมีตัวเราแต่พอเข้าใจขึ้นมาเราส ก, กิทให้ปั้งเนี่ยเมื่อตัวเราไม่มีผู้ทําก็ไม่มีถูกไหมพอผู้ทําไม่มีมันจบปัจจุบันไงอ๋นี่จบนะตรงเนี้ย จบแล้วจุปัจจุบันแตต้องไปอยู่กับปัจจุบันนี่ใช่ใช่ปัจจุบันจบแล้วก็ไม่ยึดถือปัจจุบันมันมีแต่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เนาะมันมันหมดไปหมดไปอย่างเงี้ยหมดไปหมดไปทีเนี้ยคาพูดเนี่ยลองดูให้เก็ตนะต่อไปเนี่ยจะพอจะขอการบ้านใครบับนึกออกว่าเฮ้มีเราอีกแล้วแล้วก็เงียบเลยไม่ขอ พออย่างนู้นอ่างี้ทำท่าจะพูดเรารู้ทันอีกแล้วมีตัวเราก็ไม่พูดต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยธรรมะนี่นรู้ปัจจตังี่เมื่อรู้ปัจจตังเนี่ยไม่ถามใครแล้วพอรู้ทันพอไปถามใครเขาก็บอกว่าให้รู้ตัวเองทุกทีอตอนนี้รู้ตัวเองเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยไงเป็นวิชาสุดยอดที่จะต้องอพึ่งพาอาศัยเองได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องถามใครไงตรงนี้ถ้าเก็ตมากเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะหมดคําถา ม, มปัจจตังไม่มีเราเออ พอจะถามปั๊บมันเห็นเราใช่ไหมเราเป็นผู้ถามปั๊บเอ้าหลงอีกแล้วแล้วก็หยุดไปมันว่างดิพอหยุดปั๊บมันว่างว่างจากตัวเราเนอะอ่าแล้วพอจะถามอีกมันมีตัวเราแล้วก็พอเห็นปั๊บรู้ทันอีกว่างอีกแล้วว่างในที่นี้คือว่างจากตัวเรานะไม่ใช่ว่างแบบที่โยมไปทํากันนะไอ้นั่นะเอาตัวเราไปทําให้มันว่างแต่อันนี้มันว่างจากตัวเราพอรู้ทันอ่าพอว่างแล้วจากตัวเราปั๊บก็นั่งฟังอย่างนี้ฟังไปเรื่อยเนี่ยคิดคิดคิดก็เห็นเห็น พอจะเอาอะไรพอจะถามอะไรพออยากได้อะไรรู้ทันหมดและเงียบกีบเลยคราวนี้หยุดเลยมันเดินไม่ได้แล้วต่อไปมันเหมือนกับว่ามันไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันมันจบอะมันจบอะมันจบมันจบมันจบมันจบเออความอยากได้ก็ไม่มีนี่ไงจะมีอะไรทุกนี่ไงจะมีอะไรทุกนี่ไงก็ไม่มีอะไรแต่ที่เรต้องพูดเพราะว่าเราต้องอาศัยมันถูกแล้วแหละสอนคนอื่นใช่ต้องพูดแต่การพูดเนี่ยมันมีประโยชน์ไงว่า คือพอพูดเสร็จแเราก็ชี้ให้ดูถูกไหมแต่ถ้าไม่ชี้ให้ดูเดี๋ยวยองก็พูดเลื่อยไปแล้วก็ไม่เห็นถูกไหมเดี๋ยนี้พอชี้ปับ๊บโอ้จะขอการบ้านเอามีตัวเราเป็นผู้ขออีกแล้ววางพอวางปั๊บผู้ขอไม่มีจบการบ้านก็ไม่ต้องทําถูกไหมเดี๋ยวมาเกิดความคิดใหม่แล้วไม่ต้องทำแล้วจะทํำยังไงก็เห็นความคิดอีกแล้วเออแล้วก็วางอีกแล้วจะตอบยังไงอะไรอย่นี้ไม่มีคําตอบแล้วก็เป็นปัจจิตังเลยคราวนี้ย ยมถ้าพูดเป็นภาษายมไปท ำ, ท ำ, ทำแล้วก็ทำมะเหอะแต่ทำแบบไม่มีตัวเออเนี่ยเาเออเอาตัวเราไปฝึกเนไหมเห็นไมเอเนี่ยเยเนี่ยริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจละเออเห็นให้โเราเนี่ยมันมันยังอยู่มันยังอยู่แต่ให้รู้ให้ทันให้รู้เร็วเพราะนั้น พูดอะไรจริงๆอะธรรมะพอพูดอะไรมันผิดหมดเลยนะพอพูดมันผิดหมดแต่ว่าพูดไม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดพูดมาในช่วงนี้มันดีแล้วเพื่อจะได้เห็นความความยึดไงถูกไหมบางคนพอบอกอ้ออย่างนี้ก็พูดไม่ได้สิก็มีตัวเราเป็นผู้พูดไม่ได้อีกตัวงแล้วเอาเสร็จอีกเหมือนกับว่าพอพูดไปก็มีตัวเราทั้งนั้นหยุดพูดดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ยก็จะแสดงว่ามีเราอีกตัวนะเป็นผู้หยุดพูด คนนั <unlucky S 2> ้น <Wasn> ต <'t S 1> ้องให้เห็นตัวเราทุกทิศทุกทางเลยอ่ะอือไม่ยากหรอกแต่เข้าใจตรงเนี้ยเออตัวเราไม่หมดเลยเดี๋ยวก็งั้นอย่างงี้อย่างงี้โอ้โทุกคาพูดมันจะแปลงด้วยตัวเราหมดละตัวกูแหละเออก็เนาะวันนี้ตามสมควรกับเวลาเนาะแล้วพรุ่งนี้เวลาไหนเวลาเดิรก็สะดวกไหม เราจะสะดวกจริงๆ 9", ก้างก็ยังได้เลยหรือถ้าโยมมาก่อนแล้วเรามาก่อนพร้อมแล้วก็เราก็จะได้คุยตอบก็ได้หรือถ้าให้นั่นก็ลองเผื่อแพร่คนอื่นถ้าเขายังไงก็ลองมาฟังดูนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นธรรมะที่ต่อยอดเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วพวกเราอบรมทำกันมานานแล้วไงมันจะเข้าใจได้ แต่คนใหม่เนี่ยบางทีฟังยังไม่รู้เรื่องเรากว่าสีหน้าเขายังค่องยังแพ่งอยู่ด้วยหลายอย่างใช่ไไม่งั้นก็ได้แค่ปัญญาจากการฟังแต่ปฏิบัติยังยากพวรฝึกกันนี้นะทุธเดี๋ยวเนี่เแล้วกแต่ก็ยังซ้อนอก็ควไปจริงๆไม่ใช่แ่มคม่ตัวนะเออ เขามาแล้วเขาไปเรื่อยแล้วก็จะชื่อะไรที่มันเสียหายธรรมะเสียหา ย, หายเนาะแล้วพูดลักทางเนี่ยแล้วตัวอะไรบ้เก่งแน่นะเก่งแน่นะแต่ไม่เป็นไรเราพูดเต็มที่เพราะว่าเรารู้จักแล้วนี่รู้จักตัวเราแล้วเห็นไหมนี่อย่างโยมสมทรงเนี่ยรู้จักแล้วว่ามันเป็นตัวเราตัวเราเนาะแต่ทีนี้พอเรารู้จักตัวเราในโยมนะพูดเต็มที่เลย <ๆ S 2> พูดแบบคล้ายๆว่ามีตัวตนนี่แหละเพราะเรารู้จักแล้วนี่มันทําอะไรไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหม เพราะเรารู้จักแล้วว่ามันมันตัวเราแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอาศัยสังขารมาทําประโยชน์เออมันเป็นสังขาร น, นี่ปรุงขึ้นไปปรุงให้เป็นตัวเราแบบสมมติสมมติไงที่ก่อนหน้า น, นั้นเอาสมมติมาใช้เอาสมมติมาใช้เสร็จก็เนี่ยมาพูดพูดพูดพูดพูดเนี่ยถ้าเคยจะบอกว่าเอ้ยังมีตัวเราอยู่ก็แล้วแต่เขาจะพูดถ้าเจ้าตัวเป็นปัจจตังรู้เองแล้วเนี่ย <พอ S 1> มันก็ไปลดแล้วอะ่ะเ<พ>อ อ, อจะพูดจะท่านประธานก็เคยพูดนะท่านบอกว่าบางทีก็เอาอัตราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทําประโยชน์ ถ้าไม่ใช้อัตตาทำประโยชน์ทุกคนก็เอ้ากลัวจะเป็นตัวเราเลยไม่ต้องทำอะไรกันก็ไม่ได้ตอนนั้นทำนู่นทำนี่พูดคุยก็มันไม่หลงมันทมร้อย่างีมันจะทำแต่สิ่งดีๆโอ้ทาดีดิได้เราเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำมันเป็นธรรมะที่ปจานนี่เนียไอเป็นแบโอ้ถว่าเอจ็บใอ นะเอาเป็นว่าไม่หลงสังขารไม่หลงคือทุกอย่างเป็นสังขารเนาะไม่ได้ห้ามแล้วไม่หลงคือไม่หลงคือไม่ได้หลงยึดว่ามันคือเราอเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าไม่หลงนะขันห้ามีอยู่รูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าพูดเป็นภาษารวมๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีนะมีในตัวเราหรืออูมีข้างนอกเนี่ยไม่หลงยึดไม่หลงยึด ให้มันมีก็อย่างที่มันมีแล้วมันหายไปก็ให้มันมีอย่างที่มันหายไปไม่ได้หลงยึดว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราเห็นถ้าหลงก็รู้ทันรู้ทันแล้วก็วางไปแค่เนี้ยเป็นการเจริญสติแบบเข้มข้นจเจริญสติเพราะมันยิ่งชํานาญเนี่ยชำนาญในสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้วก็สิ้นหลงสิ้นหลงสิ้นหลงสิ้นหลงสิ้นหลงไม่หลงไม่หลงไม่หล ง, ลงนี่ดับอวิชชาเรื่อยไปเงี้ยตลอดสายเนี่ยมันจบนะเออโอเคก็เดี๋ยวกลับไปฟััน